อขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธาชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญจพยะเพราวสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการสงบเวนสงบภยัยสบอันตรายให้ความสุขความสงบแก่จิตใจ เป็นการสร้างล้นทางแห่งสวรค์ประธรรมเทศนาข้อนี้ผู้เจ้าทรงประรบเรียกว่าอัธยาศัยของพระองค์คือมีพระประสงค์ที่จะแสดงธรรมเหล่านี้แก่ผู้ฟังในที่นั้นโดะทรงแสดงเป็นใจความโดยสรุปว่า เาบุคคลสามารถจะ ง, งดเว้นเหตุได้ห้าประการและสร้างเหตุสี่ประการขึ้นมาได้เคยช่วยบุคคลเหล่านั้นอยู่ในโลกโดยการสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายมีความพองใสมีความเยืกเย็นใจในปัจจุบันเธอก็จะ ช่วยให้ตนบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นในโอกาสต่อไปซึ่งธรรมะเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของศีลทั้งห้าประการนั่นเองแต่เป็นการแสดงในแนวที่เชื่อมต่อกับธรรมะหมายความว่าแต่ละข้อนั้นจะพัฒนาจิตใจขึ้นไปสู่กระแสของธรรมจนเป็นคนมีธรรมะอยู่ภายในใจ อย่างศีล ข, ข้อประนาธิบาติก็ทรงแสดงว่าปุกคลงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลไม่พกพาศสสาวุธเครื่องประหารซึ่งเป็นการแสดงถึงความปหดร้ามีความสารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็ เป็นขั้นธรรมะเบื้องต้นจะเป็นขั้นศีลเบื้องปลายมีความเมตตาเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์เราอื่นจึงจะเห็นได้ว่าในแนวองการปฏิบตัติมันก็เริ่มต้นจากการงดเว้นไป แต่งดเว้นเพียงอย่างเดียวมันมีลักษณะมินเมย์อยู่แยะทำนองคล้ายๆกับเราขึ้นไปจากแป่น้ำแต่ไปอยู่ริมตลิง่งโอกาสที่จะหล่นมามันก็มีได้ง่ายแล้วก็ต้องแสดงสะท้อนอะไรออกมาให้เห็นไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายเตรียมตัวพร้อมที่จะฆ่าที่จะทำลาย การพกพาจักาวัตเจอพบ ว, ว่าดับศีลของชาวบ้านเนี่ยไม่ถึงกับห้ามในตอนต้นนะฮะตอนต้นเนี่ยไม่ถึงกับห้ามแต่พอศีลประณีตขึ้นไปผู้คนจะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะพกพาสิ่งเหล่านั้นพระพกพาไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่พอศีลของนักปวดเนี่ย คือพวกอาวุธที่จับไม่ได้เลยพระไปถูกปืนไปจับมีดดาบอะไรต่ออะไรที่เป็นเครื่องมือในการประหารเนี่ยนปรับประบัติถ้าเรียกว่าวัตถุอนามาตคือสิ่งที่ตับต้องตับต้องจับต้องไม่ได้หรือไม่ควรจับต้องเพราะจับต้องแล้วมันสร้างความพึกเขิม ความใครที่จะทดลองอาวุธนะฮะทำให้จิตใจมุ่งไปในทางการเขียนค่าการเปลีป่ยนแปลงการทำลายแต่ก็มีความต้องมาสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์คุณสังเกตว่าการปฏิบัติในระดับนี้จะใช้คำง่ายๆอยู่เพียงสองคำแต่ทำยากนะครับ ใช้คำว่าอนุปวาโดนุปคาโตไม่กล่าวร้ายอย่าพูดจาอะไรกับใครนั้นอย่าพูดในทางร้ายไม่ว่าจะพูดถึงเขาหรือพูดกับเขาก็ตามถึงแน่นอนว่าเราก็เข้าไปถึงมอจีสุจริตเพราะศีลไม่ลาปฏิบัติเ่เราดูเป็นข้อไปอย่างนั้นเอง แต่ในทางปฏิบัติมันต้องเกิดสํารวมระวังที่สืบเนื่องกันไปเพราะพอะถึงธรรมะแล้วเนี่ยแต่ละข้อก็จะเชื่อมโยงถึงกันเองเราจะพูดเรื่องปนาฏิบัติข้อเดียวแต่ไปเชื่อมข้ออื่นอยู่ได้วยเดีย๋ยี่เคยบอกว่าธรรมะถึงน้อยก็เหมือนกับมากมันเป็นหลักใจมันเป็นฐานใจเพียงแต่เรามีสักข้อหนึ่งแล้วก็คุ้มอะไรได้มากมาย เพราะการร่วงละเมิด ท, <mirror ing. S 2> ทั้งหลายเนี่ยมันออกจากใจเราคิดไปข้างนอกถตาใจเราอยู่กับใจเราคืออยู่กับตัวเราการกล่าวร้ายการทำลายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะการกล่าวร้ายก็การกล่าวร้ายกับคนอื่นหรือการทำลายก็ทำลายกับคนอื่นแต่ใจเราคิดอยู่กับตัวเราการกล่าวร้ายการทำลายก็ไม่เกิด จะที่บางครั้งส่งสอนศีลในแนวข้อเดียวศีลเยอะแยะนะฮะสอนข้อเดียวว่าให้ควบคุมด้วยความคิดอย่างเดียวควบคุมจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปในภายนอกเขาไม่อยากคิดไปในภายนอกหมายความว่าอยากคิดไปในลักษณะเบียดเบียนนะฮะไม่ใช่ไม่คิดภายนอกในเรื่องอื่ เพราะจริงความกรุณาของพระพุทธเจ้าก็ออกนอกออกไปที่คนที่สัตว์ทั้งหลายถูกมองเห็นว่าคนสัตว์ทั้งหลายนั้นประสบความทุกข์ก็อยู่ในทะเลของความทุกข์ก็ต้องการที่จะช่วยเขาให้หลุดรอดจากความทุกข์เพราะฉนั้นข้อความที่เราพบในคําสอนเนี่ยต้องมองมาตรงนี้พูดเรื่องอะไร ม่อย่าสัมรวมระวังหมดหรือว่าไม่คิดออกไปข้างนอกเลยถ้าทําอย่างนั้ น, น, นมันในส่วนมก็เห็นแก่ตัวเองไงนะฮะบางคนเห็นแก่ตัวมก็คิดอยู่เฉพาะตัวเองก็ตอบสนองความต้องการตัวเองเพรนเขนคำาอยากคิดออกข้างนอกก็คืออยาคิดเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินผู้ครองของบุคคลอื่น พรถ้าคิดไปแล้วในพื้นฐานจิตที่มีความโลภความโกรธความดุมมันจะออกมาในรูปของริษยาบ้างแข็งดีบ้างความโลภบ้างออกมาในรูปของการกล่าวร้ายบ้างการทำลายบ้างถึงบางเรื่องในเช้าเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังก็ เ, เป็นสำนักศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่ใหญ่นะฮะมีคนอยู่เยอะเป็นพวกชาวบ้านเขาเกาะกลุ่มกัน เราไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามีคนไปว่าว่าเขาแรงแงแล้วก็แช่งสาบแช่งพูดพูดในตองสาบแช่งนะฮะประสบความพิบัติบอกเขานั้นรักระศาสนาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อระศาสนามันไม่ใช่รักคนเดียวนะฮะศาสนาในเรารักคนเดียวไม่ได้ศาสนาเป็นของคนทุกคน ต้องช่วยกัน ร, รักช่วยกันหวงแหนช่วยกันศึกษาประพฤติปฏิบัติศาสนาลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะแข่งดีนะฮะไม่ใช่ลักษณะรักาศาสนาคือทําลายคนซึ่งปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าทําลายผู้มีศีลวฏทุสร้ า, รายต่อผู้มีศีลแนวที่ท่านใช้ก็คือกําจัดคนที่ทุศีลคนเลวแต่นั้นเองคือไม่จะไปไม่ใช่ไปประทุสรายคนดี แต่การประทุษร้ระดับนี้ก็เหมือนกันนะฮะการกําจัดในระดับนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของหน้าที่ในระดับของวินัยไม่ใช่ระดับของธรรมะระดับธรรมะเราก็มองในแง่ของกระแสะกรรมคือว่าสัตว์ตั้งหลายก็ให้เป็นไปตามกรรมเขาเมื่อเขาทำชั่วแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําชั่วกับเขา แต่ถ้าเขาทาดีเราก็น่าจะทําดีเช่นเดียวกับเขาคือไม่ใช่อาศัยความดีของเขามาเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของเราซึงเป็นอาการความริษยาความแข็งดีใ่ต้องการแต่จะได้ผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะในจุดต่อไปยังทรงสแสดงว่ามีความเมตตามีความเอ็นตู ถ้าจิตมาอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องกล่าวร้ายเรื่องทำลายก็เลิกพูดกันนะครเพราะมันเลยไปแล้วใจมันยกเหนืออารมณ์ของการกล่าวร้ายการทำลายแต่จะมีความเมตตาอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายอ็นดูมันก็คือกรุณานะฮะเมตาก็คือเมตตาแต่การเมตตาอินดูนั้นจะมีฐานของธรรมะคือฐานของปัญญาคุ้มครอง ไม่ใช่เมตตาอินดูจนอคติหรือเมตตาอินดูจนโกเพราะทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมอคตินั้นเป็นกิเลสความสูกเป็นทุกข์แต่เมตตานั้นเป็นมรรคนะฮะเมตตากรุณานั้นเป็นมรรคผู้สานานั้นต้องการจะละทุกข์ซึ่งกหมายความว่าละเหตุของความทุกข์ด้วย ไอ้ความทุกข์มันเป็นผลไม่ใช่แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วไปเพิ่มกิเลสเช่นอคติหรือเพิ่มทุกข์คือความโศกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลการปฏิบัติธรรมะแต่ั้นในเรื่องบางเรื่องมันนอกวิสัยมาอยู่ในวิสัยที่เราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมใจก็อยู่้วยเวียขาคือการพิจารณาตามกระแสที่เราสวด ทั้งหลายมีกา ร, รมเมืองของข้องตนจะต้องเป็นผู้รับผลข้องกรรมตรงนี้ต้องคิดบ่อยๆนะนึกไว้บ่อยๆว่าเป็นคําสอนที่ตรงเรียกว่าอภินปาปัจจเวกขณะคือต้องคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่สมําเสมอพอรมนอกวิสัยไม่นองนึกถึงตรงนี้อ่ะถ้านึกตึงตัวอื่นจะร้อนทันทีเสจสมมุติว่าข่าวคราวใครย้ยายใครอะไรแต่อไ ร, ไรเนี่ยนะฮะเอาจะเห็นว่า เราโกรคนนั้นกดนี้ไม่ได้แต่นั้นแหละมันร้อนแต่นั้นแล้วมันนอกวิสัยมันนอกวิสัยอย่างนี้เราก็ต้องใช้กฎของกรรมแต่สิ่งนั้นหลายก็เป็นไปตามกระแสกรรมจิตมันก็ไม่เอื้อมไปวุ่นเหนือเขาในขณะที่โลกวันวุ่นนี่เราไม่วุ่นด้วยเหตุการเหล่านี้คราวที่พระญาติของพระพุทธเจ้าทะเลาะเรื่องแย่งน้ําในแม่น้ําโรฮีนี พระเจก็มาประลบอย่างเงี้ยวันในขณะที่คนทั้งหลายเขาหมายหมายมั่นจะเอาชนะจะต่อสู้จะทําลายล้างกันเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดอย่างงี้ยตรงก็เป็นสุขในขณะที่คนเองกําลังเดือดร้อนคนคนอื่นกำลังประสบความทุกข์หมายความเป็นการเรียนเป็นการหาประโยชน์จากเหตุการณ์เรื่องราวการกระทํำของบุคคลที่กําลังประสบความร้อนด้วยอํานาจของกิเลสหรือกําลังกําลังประสบความทุกข์อยู่เนี่ย เราไม่กระโจนเข้าไปทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายทุกข์เพราะมันไม่จะทางดับทุกข์มันเป็นทางเพิ่มทุกข์แล้วเพิ่มกิเลสแต่ทำยังไงจะควบคุม ค, ความคิดแต่ว่าลายมันต้องทำใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ฝักฝ่ายไม่ข้าเป็นฝกักเป็นฝ่ายอะไรกัใครแล้วก็สงบใจยอยู่ได้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่เอามาปรุงเพื่อให้เกิดกิเลสความรู้ก็คือส่วนความรู้แต่ถ้าปรุงให้เกิดธรรมะแนวเบื้องานก็ได้อยู่แล้วนะฮะทั้งเหตุการเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้สนใจสนใจก็ได้แต่ต้องเอามาคิดมาปรุงให้เพิ่มธรรมะขึ้น พระเจ้าจึงมีคำสอนที่เป็นเรื่องศึกสงครามเรื่องการต่อสู้เรื่องผัวเมียทะเลาะกาันเรื่องผัวเมียเป็นทันหนึ่งกันเดียวกันเรื่องคนติดคุกติดตารางอะไรก็มาสอนหน้าทางนั้นแต่สอนแล้วก็ใช้เป็นครูในการงดเว้นในการประพฤติปฏิบัติพราะความไม่ตาเอินดูจึงจึงเป็นพื้นฐานจิตแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตลอดไปเพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ตลอดไป เมืนกันค่ะกันในบ้านในเรือนเราเนี่ยเราอยู่ตรงใดตรงหนึ่งไม่ได้ตลอดไปอยู่ก็ในถึงคราวที่จะต้องอยู่ต้องใช้สิ่งนั้นในตอนใดใช้เมตตาตอนใดใช้กรุณาก็ใช้ตอนใดใช้ไม่ได้บางก็ต้องเสร็จแล้วมันก็ต้องนอนนรับถึงคราวนอนก็ต้องนอน แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอื้อมไปสัมผัสทางกายทางวาชาที่ส่งแสดงว่าวังประโยชน์เกื้อคูลแก่สัตว์ทั้งหลายก็มุ่งถึงการกระทําถึงการพูดของเราที่จะให้เป็นประโยชน์เกื้อคูลแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นการทําประโยชน์ต่อเขาโดยโดยรูปธรรม น, นะครั้งแรกมันเป็นความรู้สึกมีความเม่ตายอินดูนี้จึงๆเป็นความรู้สึกซึ่งเราเองเ ย, อเยือกเย็น แต่ว่าสัตว์นั้นไม่แน่ว่าจะเยากเย็นหรือไม่นะครับแต่พอถึงเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเขาเขาก็ได้รับความเยากเย็นประการต่อไปในเรื่องของทรัพย์ุ่งใหญ่นะเรื่องทรัพย์ไม่เรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าความประสงค์ของคนที่ให้สาเร็จได้ยากในข้อหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่า รอยทรยัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่เราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบธรรมมันเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะไรกระแสโลกที่มันเป็นอามิดมันเปื้อนนะมันเปื้อนมันเป็นเหยื่อแล้วมันเปื้อนจะให้เกิดความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่จะต้องใช้ความพยายามควบคุมที่จิตใจของตัวเอง ในชั้นแรกก็คืองดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยตัวเองนะฮะหรือใช้บุคคลอื่นไปถือเอาก็ตามแต่ชั้นงดเว้นก็คือชั้นศีแต่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยสีต้องต้องรับนะฮะต้องบริโภคต้องใช้สอยปัจจัยสีแต่จะยินดีเฉพาะของที่ได้มาในทางที่ชอบทำไม่แสวงหาด้วยคำอย่างหนึ่งที่ตรงใช้กับือนเนสนา คือเป็นการสแสวงหาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรแก่สถานะของเราโบราณตั้งใช้คาดีนะเนื้อบาปหนังบาปหมายความว่าร่างกายเราจเจริญเติบโตมาด้วยสิ่งที่เป็นบาปอบโอกกองค่าสิ่งเสพติดดอกลวงปล้นข่าเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงดูครอบครัวก็เกิดขึ้นมาเป็นเนื้อบาปหนังบาป โบราณในท่านท่านพยายามที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นนามาทรเนี่ยให้เป็นรู ป, ปรธรรมไอ้บาปมันก็สกปรกมันก็แปดเปือนก็ทำให้รู้สึกรังเกียจที่มาของของบาปแล้วเกิดสำนวนวางงดเป็นอเนศ น, นาเนี่ยมันก็อยู่ที่สถานะของคนนะ ว่าอะไรก็ตามที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรแก่สถานะโงงงเว้นไม่ยินดีจะมากยังไงก็ไม่ยินดีความคิดที่สําคัญจะต้องเชื่อมต่อระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าได้คือถ้าเราคิดอยู่ในโลกเดียวเนี่ยมันจะคุ้มครองตัวไม่ค่อยได้มันจะเสียฐานเพราะสังคมที่มีค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไป เราต้องยอมรับอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมถึงจุดหนึ่งเนี่ยสังคมต้องยอมสังคมไปต่อต้านกระแสะเหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกระแสะมันแต่ว่าเราก็ไม่กระโจนเข้าไปสู่กระแสะเหล่านั้นแจะทํายังไงจะประคองตัวไว้ได้รักษาตัวไว้ได้นั่นคือกลายเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เพราะกระแสะของสังคมเนี่ยมันเป็นกระแสะที่แรงมากมันคล้ายๆกระแสะน้ํานะฮะ เราประทะได้ไหมถ้าประทะได้มันก็ยืนหยัดอยู่ได้แต่ถ้าแรงมันก็เอาไม่อยู่จะทำยังไงจะหลบไป ห, ห่างกระแสแล้วนั้นเนการสแสวงหาการได้มาการถือครองเราจะพบว่าที่จริงไอ้คอมมิชชั่นกับไอ้คอร์รัปชันมันได้จริงก็คือคอร์รัปชันแต่เงไขสังคมมันพยายามสร้างเห็นวไอ้คอมมิชชั่นเนี่ยไม่ไม่ใช่คอร์รัปชัน เขาไม่ชั่นจะเป็นการได้มาในทางที่ชอบทำหรือแม้แต่การประชุมทางราชการในต่างๆเราจะเห็นว่าราชการจะมีแตการประชุมแย่ามาเคยพูดที่เล่นที่จริงนะเวลาไปประชุมนะเนี่ยพูดจริงๆก็ไปคิได้ไปเดี๋ยวก็กรธอ่คิดว่าจริงๆเนี่ยเวลาของราชการนะฮะแล้วเราก็มีเงินเดือนละแอ้เงินเดือนนั้นนะ่ยถ้าเราคิดเป็นชั่วโมงมันก็หลายบาท แล้วปัญหาว่าไอตัวที่เรากินเงินเดือนเราทําอะไรถ้าเราเบิกเบียเลี้ยงในการประชุมถ้าเวลานอกราชการเนี่ยน่าจะมีเบี้ยเลี้ยงแต่ถ้าในเวลาราชการมันมีเงินอยู่แล้ว่นะแต่เงื่อนไขสังคมเนี่ยก็ตั้งขึ้นเนะี่ยเพราะเขาต้องได้เนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นมายอมรับยอมรับมันก็เป็นสากลแต่เรามองในแง่ธรรมะแล้วเนี่ยเป็นการได้ไหมในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เพราะชั้นนี้มันเป็นความถูกต้องระดับกฎหมายแต่ระดับศีลที่จริงแล้วได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องพูดด้านธรรมะนะฮะธรรมะแล้วก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะฉะเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจะทำยังไงว่าเราก็เดินแบบบันไดมันเป็นสิขาบทเนี่ยเราเดินแบบบันไดขึ้นเอาเพียงว่ายาผิดกฎหมายก่อน รักษาตัวให้ไม่ผิดกฎหมายไว้ก่อนแล้วก็ปรับฐานขึ้นไปไปสู่การไม่ผิดศีลเพราะศีลมันประณีตกว่ากฎหมายบุรุษเกตว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยกฎหมายไม่มีความจําเป็นใดๆแล้าโลกมีศีลเนี่ยที่เคยบอกอยู่เสมอว่าถ้าศีลห้ามีเนี่ยจบเลยกฎหมายเลิกพูดเลยจะไม่มีความหมายอะไร ว่าจะมีก็เฉพาะระเบียบการปฏิบัติตนนะสถานที่นั้นจะติดต่อราชการจะทำยังไงแบบพร้อมยังไงไมันต้องมีนะแต่โดยพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์แล้วมันยกเหนือกระแสะของอาชญากรรมปรัญหาสังคมเป็นปนัญหาอาชญากรรมศีลห้านั้นอยู่เหนือกระแสอาชญากรรมมันก็แค่กระน้ำหลากมาเราไม่เปื้อนเพราะอยู่สูงกว่าน้า แต่เป็นคนเป็นตัวมารายกตามันไม่เปลี่ยนแต่โลกสัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้ยากนะฮะเคยสัมผัสก็เป็นช่วงครั้งช่วงคราวแล้วในวงที่จํากัดโดยเฉพาะกระแสสังคมปัจจุบันเนี่ยมันยากมากเพราะกระแสที่ลากไปสู่ความแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจคือต้องการจะแผ่นดินทองมากกว่าแผ่นดินธรรมเนะี่ย ทีนี้ทองมากๆเนี่ยมันจะขาดทำทันทีเพราะทองเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องกระตอบสนองเป็นเรื่องกระแสการตัญหาเราแข่งทองแข่งทองอย่างที่โบราณท่านเล่าเป็นเป็นนิทานนะฮะว่าเพราะั้นกระแสที่ขาดการควบคุมว่าสามีไปตกไปตกเว็ดได้ปลาตัวหนึ่งพูดได้ปลาขอให้ปล่อย นแกจะให้พรสามอย่างผัวก็ตกลงปล่อยมาลาตัวเดียวนะมาถึงก็าปรึกษากับเมียไว้พรสามอย่างเนีย่ยขออะไรดีเมียก็จะเอาด้านผัวเจ้านี่เสียงกันไปเถียงกันมาจนเหนื่อยข้าวราวยังไม่ได้หุงอยากกินข้าวก็ตกลงว่ขอข้าวกินก่อนก็กินข้าวอิ่มชักเสียดายพรมันหายไปครั้งหนะึ่ง นี่ลดสองครั้งแล้วเมียก็บน่นบ่นผัวผัวก็เยอะขึ้นมาเพาะผัวเป็นเจ้าของพรเนี่ยเลยก็ขอพรให้ปลาไปปิดปากเมียทีเดียเมียก็หายใจไม่ออกทีนี้ชักยุ่งอ่ะยังเหลือพรครั้งเดียวสงสารเมียขึ้นมาฮะก็ขอพรให้ปลาหลุดจากปากเลยจบไปไม่ได้ไรฮะกินข้าวได้อิบหนึ่งเนั้นเอง นี่คืออะไรมันตกไปสู่กระแสของอารมณ์แล้วควบอารมไม่ได้นั้นแนวมุ่งทางเศรษฐกิจเกิดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นชราจิมันจะยื้อแย้งมันจะแข่งเพราะความโลภถึงจุดหนึ่งมันจะยื้อแย้งแล้วพอได้มากด้วยกันจ ะ, จะแข่งจะแข่งจํานวนจะแข่งขนาดจะแข่งปริมาณของสิ่งสิ่งเหล่านั้น แข่งจำนวนสูงจำนวนกว้างจำนวนใหญ่นะคล้ายๆกับพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยแล้วยันเจดีย์สูงที่สุดในโลกนั่นคือแข่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องของบุญกุศลแต่เรื่องของแข่งเป็นเรื่องกระแสของตันหาแล้วก็หาไม่ได้หรอกไอ้สูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกมันจะมีคนมาลบได้เลยๆเพราะแนวของธรรมะเนี่ย ท่านจะปรับระดับกฎหมายนะระดับศีลระดับธรรมระดับที่ลอยขึ้นไปแล้วก็ถึงจุดนี้ท่านจะได้มากเท่าไหร่ก็ตามจะมีปัญหาอะไรใดๆเพราะมันจะต้องงองคล้ายๆกับแสงอาทิตย์ที่เผาน้ำนะฮะให้ระเหยขึ้นไปเป็นไอก็ไม่ได้เอาไปไหนเอาเพื่อกลับมาให้สู่โลกอีกนั่นเอง อันสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าที่เกิดแก่ท่านซึ่งมีธรรมะสูงสูงเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่โลกคือกระจายออกไปไม่ไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งในทางคู่ครองแล้วก็งดเว้นการประพฤติผิดด้วยตัวเองนะฮะเพราะเป็นเรื่องการกระทำของตัวเองการส่งเสริมการใช้บุคคลอื่น ไม่ใช่ผิดศีลนะฮะแต่ผิดธรรมะก็ เ, เรียกว่าผิดธรรมจริยาไม่เป็นการระพฤติปฏิบัติธรรมจนมีใจสำรวมระวังคำว่าไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยหมายความท่าในราคะก็คือไม่มีความกำหนัดพอใจในคู่ครองของบุคคลอื่นที่จำนวนสมัยปัจจุบันก็ใช้มาหลายปีเลยฮะเขาเรียกว่าชูทางใจ คือไม่มีความรู้สึกในทางนั้นแม้ด้วยใจไม่ใช่ธรรมดานะฮะคุมความคิดระดับนี้ได้จึงเป็นเรื่องที่ที่ประณีตมากๆจิตใจต้องอยู่ระดับสมาธิระดับการรมสองวรระดับความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วกันของูุสามีปัญญาเหล่านั้นและการพูดการพูดในแนวของวจีทุจริตนั้น เราจะเห็นว่าระดับสี่ห้านั้นจะพูดเฉพาะพูดเท็จนะให้หลองสังเกตจะพูดเฉพาะเรื่องเท็จแต่นั่นเองเขาเรียกว่าเป็นอุบายวิธีในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ให้คนซึ่งปฏิบัติใหม่ๆในรู้สึกว่ามากเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติมากนี่คนไม่ชอบต้องปฏิบัติน้อยๆนะะ ค, คนไม่ชอบความเพียร น, นะฮะแต่ชอบผลประโยชน์ เพราะความเพียรเป็นเรื่องของมาร์กมันต้งทวนกระแสกิเลสแต่ว่าการได้นั้นเป็นเรื่องกิเลสมันไหลฮะมันไหล ม, ม, มันง่ายเราย่ต้องการได้ผลประโยชน์มากๆแต่ต้องการจะปฏิบัติแต่น้อยทำงานน้อยๆผลพวกเกมโชว์ทั้งหลายพวกหวยพวกเบอร์พวกสลากินแบงไม่มีทางเลิกได้ครับไม่ต้องไปพูดไม่มีทางเลิกได้สมมุติวันเลิกให้หมดคนก็ยังเล่นการพนันนะ ไม่มีอะไรเปนจับสตางโยนหัวโยนก้อยมันก็เล่นได้เพราะว่าคนต้องการได้อะไรแบบสบายสบายเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยต้องการความสะดวสบายเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้ววันเวลาปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าจะสอนเรื่องเรื่องเฉพาะพูดเท็จ ให้พูดไปตามที่เห็นที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นที่เราเรียกว่าสัจจวาจาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยวาอริยวาทะคือคำพูดของอริยะคาพูดของผู้ประเสริฐแต่ว่าเวลามาถึง กุศลกรรบดท่านจะเห็นว่าพูดวาจาไว้ทั้งสี่ข้อไอ้ที่สี่ข้อจริงมันเท็จตั้งนั้นแนะๆั้เท็จตั้งนั้นที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกก็เท็จคาด่าทั้งหลายก็เท็จคอมพิวเตอเอหลวไหลรายสารทั้งหลายก็เท็จเพียงแต่กระจายออกไปให้เกิดความประณีตมันคล้ายๆกับพผพ้าผืนหนึ่งนะหเห็นความสะอาดทั้งผืน แล้วก็งดเว้นจากสิ่งเสพติดทังกล่าวตอนนี้ ก, ก็คือก็คือปัญหาใหญ่อ่าเมื่อคือนในี่ถท่านฟังรายการสนทนาปัญหาชาวบ้านเนี่ยสิเขากปัญหาเรื่องนี้ก็พูดเรื่องเอกเ็กซ์เิคือในวงการพระนี่เรารู้ชัดๆเลยว่าโรคนี้มันง่ายมากถ้าจะแก้เนี่ยรักษาศีลห้าสองข้อให้ได้แต่นั้นเองป้องกันโรคเอ็ก์ได้แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันแต่เราก็ไม่ยอมนะครับ ม่ยอมรักษาศีลเลยจะให้พระไปช่วยรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์มันนอกเรื่องออกมากมันเรื่องมันง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรรักษาศีลข้อสามข้ห้าได้ก็จบละมันคลุมทั้งหมดอย่างที่เคยบอกว่าศีลห้านี่จะคลุมไว้ทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจโดเนื้อหาเนี่ยอย่างุะเดวสังราชวัดมะกรูดกับวัดราชประพิษเนี่ยสองพระองค์นี้เทศ่ในเรื่องศีลห้าตลอด วัดมกรูท่านเทศแนวเมตตาก็คือศีลห้านะฮะแต่พูดพูดในแนวเมตตาสังราชวัดราชพิธจะพูดศีลห้าทุกแข่งไปที่ไหนต้งรับศีลก่อนแม้แต่ประธานพัดนท่านยังให้รับศีลก่อ น, นเพราะถ้าเราจับศีลห้าได้เป็นหลักได้เนี่ยโลกมันก็สงบแล้วแต่นั่นเองแต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่องสงบะงับเวรไภ สงบระ ง, งับเวรภัยในปัจจุบันนั้นเป็นเหตุเป็นผลที่เราเห็นได้นะว่าเวรภัยอันตรายต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับทรัพย์กับชีวิตกับทรัพย์กับคู่ครองอุปกรณ์ปัจจุบันปัจจุบันีนเราพูดว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพูดอย่างนั้นมาตลอดไม่ต้องพูดหรอกชีวิตและทรัพย์สินตลอดเพราะมันมีทํานั้นเองเป็นเรื่องของชีวิตทรัพย์สินคู่ครองมาจริงๆก็อยู่ในประเภททรัพย์ เป็นทรัพย์ประการหนึ่งนะฮะของคนถ้าเกิดความปลอดภัยมันก็ต้องอาศัยมีศีลไม่ใช่อาศัยกฎหมายอาศัยกฎหมายอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้อย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าต้องมองเชื่อมระหว่างชาติหน้าด้วยเป็นคนหนุ่มรุ่นแถวนั้นเนี่ย น, นะรุ่นรุ่นแถวนั้นแต่หมายความว่าเขาเกิดมาก่อนหน้านั้นนะถ้าเขาอยู่ปัจจุบันอายุสักแปดสิบแปดสิบแปดสิบกว่านะ เป็นเริ่มที่เราเรียนมาจากต่างประเทศเริ่มติดต่อกับต่างประเทศมากแล้วก็รู้ฉาบฉวยไม่ลึกซึ้งอะไรนะฮะไปอยู่ไม่กี่วันก็ไปตามขี้ปากฝรั่งมาแล้วก็ไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนท า, นางสายศาสนายิ่งศาสนาคริสก็มีนรกเหมือนกันเนี่ยนะมีนรกมีสวรรค์เหมือนกันไอ้คาว่าอสวรรค์มาล่อเฮ้ยจ้ะอสวรรค์มาล่อนรกมาขู่เนี่ยปเป็นหนังสือรุ่นนั้นหนังสือรุ่นไม่ถึงร้อยปีมาเนี่ย เป็นความคิดของคนคนหนุ่มรุ่นที่ไปไปรับความคิดมาจากตะวันตกแล้วก็มาเผยแพร่แล้วคนเราก็นิยมนักเรียนอนอกไปเชื่อคนเหล่า น, นั้นแต่ถ้าเรามองถึงถึงขลักคําสอนจริงๆที่พระเจ้าทรงแสดงเองจริงๆทุกแข่งมันมีมีเรื่องนรกสวรรค์สายบาปก็จะพูดเรื่องนรกเอาไว้สายบุญก็จะพูดเรื่องสวรรค์ไว้ แล้วจะจะพูดไว้ทั้งหมดทำไมจึงมองช่วงนั้นคือทำให้เกิดรับผิดชอบรับผิดชอบในสังสารวัฏเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นอยู่ที่เงื่อนไขในปัจจุบันคำว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยที่จริงเป็นคำพูดพูดไม่จริงไงนะฮะเราเลือกเกิดได้เหมือนเราเลือกเป็นคนดีเลือกเป็นคนชั่วได้แต่เราไม่เลือกเองงถ้าเราเลือกเราก็เลือกได้ เลือกเป็นคนขยนันเลือกเป็นคนเกียรติค้านเราเลือกได้อยู่ทุกขณะแต่เราไม่เลือกในจุดที่เราไม่เลือกเียก็ทำให้เรามีปัญหาคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำชั่ว ครูเจ้าไม่แสดงว่าความเรามีการทําชั่วเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นการทําชั่วไปได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นมันมมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมชาติของคนน่ะแต่เรามีความแก่เป็นธรรมดาน่ะจริงมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลาดเป็นธรรมดานี้จริงครูเจ้าเองก็เจออย่างนี้แต่ว่าความชั่วความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามดเว้นได้เราไม่ทําได้เราทําได้มันอยู่ที่เราจะเลือกทางไหนแต่นั้นเดีย แต่เราไม่ทําชั่วก็เป็นการทําดีระดับหนึ่งคือระดับศีลเราเองแต่การไม่ทําชั่วเนี่ยเป็นการทาดีระดับศีลการทําดีเนี่ยเป็นการทําดีระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นในเรื่องเชนหิริโอตปะโอตปะนะฮะโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปนี่ต่อบาปหมายความมาต่อผลบาปด้วยต่อการทําบาปแล้วต่อผลของบาปด้วย เพราะการละเมิดศีลทั้ง5ประการเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดนะผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดมันจะเป็นรูปธรรมเช่นไปลักขโมยของเขามาของนี่ลักขโมยช่อโกงปล้นจี้อะไรมาก็ตามเป็นของสาธารนณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ถ้าทุจริตมันก็อาจจะเป็นประจักษ์พยานหลักฐานนะรัฐบาลก่อนก็พูดเราไม่มีใบเสร็จรัฐบาล น, นี้ก็พูดเราไม่มีหลักฐาน แต่หลักฐานจริงมันก็อยู่ภายในใจเรามันเป็นตราบาปอยู่ภายในใจเราเพรา ะ, ะไอ้ตราบาปเนี่ยคือหลักฐานแต่หลักฐานตรงนี้กฎหมายเอาได้ไหมไม่ได้กฎหมายทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเป็นแค่ตราบาปแล้วใครที่จะลงโทษเราได้คือใจเราที่เรามีความเดือดร้อนใจเนี่ยใจเรานีนบาปแน่เลยแล้วใครอีกคนที่จะรับรู้คือตกนรก เพราะฉะั้นโอตระปาจริงๆ จ, จ, จ, จึงมีอยู่สี่สี่ข้อเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยหนึ่งเราเองติดเตียนตัวเราเองได้แต่บางทีคนหน้าด้านมันไม่ติเตียนตัวเองอะ่ะมันจะว่ายังไงเรื่องนี้ผมอธิบายได้ทุกทีเลยเรื่างนี้ไม่มีหลักฐานไหนไปเป็นเศษละ่ะมันก็มันก็พูดอย่างนั้นตกลงว่าติเตียนตัวเองไม่ได้ถ้ามาภายในใจสงบดีไหมไม่มีทางสงบหรอกถ้าสงบไม่ต้องมีรอปภ การที่มีรปภก็แสดงว่าใจไม่สงบกลัววาดระแวงกลัวอันตรายต่างๆท่านผู้รู้ใครควรแล้วตีเตียนผู้รู้ท่านไม่รู้อะท่านก็ไม่ตีเตียนกลัวอาทยาของบ้านเมืองไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จเห็นไหมฮะสามอย่างนี่เอาอะไรไม่ได้เลยต้องเกิดจากกลัวภัยในนรกนรกน่าของตายเลย เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นท่นไดเคยเล่าฟังเรื่องเนรสาที่นครพนมอ่ะจะเท่าเทนนั่หลนลุงปู่ที่วัดเทพสิทธิ์ท่านเล่าไปมันหนีนรกมาโยมบาลมาตามมาขอจากท่านมาขอตอนพระเพรนะฮะท่านสร้างโบส ท, ท่าน เอาเก้าอี้เก้าอี้เก้าอีอ้โยกเก้าอี้ไหวอมานอนนอนดูช่างแล้วโยมาบาลก็มาถึงท่านพระครูนี่ผมจะมารับเนสเนสาเนนสาหนีมาจากนารกจ้ากลับไปทต้นครู ท, ท่านท่านท่านไม่ว่าอะไรท่านอาธิษฐานว่าท่าว่าท่า<ะ>เป็นโยมาบาลจริงเนี่ยให้ไปพบท่านในห้องท่านเข้าห้องปิดประตูหมดเลยประตูหน้าต่างหมด พอนั่งป้าไปโนก็ปรากฏปุ๊บประมาณไรเอาลักสยุ่งอะ่ะแต่ท่านพระครูท่าก็เฉียงว่าหนีจากนรกท่านบอกว่าหนีมาเมืม่อวานนะเขบอกว่าหนีมาเมืม่อวานบอกนี้เมื่อวานรายเดินสาายุดั้งสิบแปดปีครับท่านบอกว่าอา๋อมันเวลาในโลกมนุษย์กับเวลาในรก ต, ต่างกาันแล้วก็สะบัดภาพอระมาสะบัดเป็นภาพมันก็เป็นรูปเน้นสาชัดเจนแล้วให้ดูปานที่แก้มก้นด้วยนะ ไอปานตรงนั้นไม่มีใครเห็นหนระอบกผมเอานะผมเอากลับนะนี่ผมเกรงใจท่านครูเนี่ยผมมาบอกทาไมเกรงใจจะเอาไปเลยเพราะตกกลางดึกเน้นสาก็เป็นอาหิวาคนก็บอกท่านรครูแท่านครูก็ก็ทําไปตามที่ทําได้นะแต่แต่ว่าจะ น, นึกแล้วมันมันช่วยไม่ได้พอพอรุ่งเช้าก็ตาย แต่ท่างก็ไปดูจุดที่มีปานจริงๆมันมีปานจริงหน้าก็เหมือนกันแล้วก็ปานก็ติดไปด้วยอันนี้คือคือประสบการณ์คนเราถ้าพอได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้หลักเลยไม่ต้องมีใครอธิบายนะดังดังนั้นจริงบอกว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสถ้าเรามีประสบการณ์ตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรา เราเชื่อนะฮะประสบการณ์ตรงนั้นแต่ที่นี่มันเป็นประสบการณ์ทางจิตเป็นประสบการณ์ทางจิตทึ้งถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ทางความเชื่อคือต้องอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นในแนวที่ท่านบอกว่าเดินไปตามบนทางที่ท่านเคยเดินมาแล้วฤกติไทยก็พูดดีนะฮะตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยพูดดีเราไม่มีประสบการณ์ตรงนั้น เรายังโอนยาวแต่เราก็ตามหลังท่านไปอันไม่เสียหายอะไรตอนนั้นในจุดนี้ท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองเชื่อมตรงนี้ได้ว่าผลบาปเนี่ยมันเป็นตราภายในใจเราแต่ผลที่เป็นกิริยาเกี่มายความมาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่เราเทําผิดได้มาเนี่ยมันเป็นสมบัติโลกบาปบุญเป็นสมบัติติดตัวเรานะ แต่ว่าสิ่งที่เราชอบโกงได้มาในทางธุรกิจเป็นสมบัติของโลกเป็นระบัติโลกเป็นระบัติดโล ก, เ ร, โลกเราไปไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการนำเราไปสู่ตะแลงแกงนำเราไปสู่คุกตารางได้มันจะเกิดการสํงรวมระหว่างในตรงนี้ตรงนี้เราจะได้สองอย่างสองอย่างใหญ่ๆนะที่ที่ยกตัวอย่างไว้เนี่ยก็คือหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยในปัจจุบันสองเนี่ยสบายใจ เป็นความสุขใจเป็นความเยือกเย็นใจเป็นความโปร่งเบาภายในใจใครพูดถึงฆาตกรใครพูดถึงขโมยใครพูดถึงคนละเมิดทางประเวณีใครพูดถึงคนโกหกอะไรอะไรเราไม่เดือดร้อนกบจะจับคนนั้นคนนี้เราไม่เดือดร้อนกบ ค, คนอย่างนั้นอย่างนี้ตาตกนรกเราไม่เดือดร้อน ที่ทรงใช้อุปมาดีนะพุทเจ้าตังใจเขาว่าเหมือนฝ่ามือไม่มีแผลมันฝ่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยเราจับอะไรก็ได้จับยาพิษก็ได้ยาพิษมันแทรกซึมก็ไปในใ น, ในฝ่ามือเราไม่ได้เพราะฝ่ามือไม่มีแผลนี่เป็นขั้นการบัดในระดับที่เรียกว่างดเว้นจากเวรจากภัยจากอันตรายผลประจักษ์นีออ่สองประการเฉพาะในประสูตรนี้นะแต่ว่าที่อื่นจะจะมากกว่านั้น ในปรมัตถีปณีในท่านว่าแต่ละข้อไว้ต้อง24่สี่ยี้าข้อนะฮะอ น, นิสงส์เนี่ยเยอะเลยว่าไว้ทั้งปัจจุบันในภายภาคหน้าแม้ในสงสีนท้ายศี น, นะฮะทายศีที่เราสมาทานสีเลนะสุขกติงยันติสีเลนโะปก็สมถทาสีเลนะิพุติงยันติมันก็สมอย่างเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุสมบัติในปัจจุบันได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็สุขในภายหน้า ทีนี้ถ้าศีลสมบูรณ์จริงๆนะมันจะเข้าถึงนิพพานเพราะศีลสมบูรณ์เป็นศีลที่เป็นนหนึ่งเดียวกับปัญญาหมายความมาไม่รักษาศีลแบบงโง่แบบงมงายนะแบบไลายเหยียดผลต่างๆแต่ศีลระดับระดับล่างๆเนี่ยมันจะเป็นเป็นขนรรมเนียมเป็นประเพณีนะบางอย่างเป็นวัฒนธรรม วันก่อนนี้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ชอบไปชื่ออะไรหลวงปู่ชอบท่านผู้เขียนนะฮะไปพูดตำหนิพระกันเล่าให้ฟังว่าต้นเดียะสังกรดาเข้าใจว่าราประพิษ น, นะอาหารประชวนใหม่ๆมีญาติโยมไปเยี่ยมพรหมผืนใหญ่ปูพื้นเต็มพื้นอย่างเงี้ยแล้วมีพระปูใหญ่ไปกันหลายรูป ก็มองหาที่นั่งก็ไม่มีอาสนะปูให้นั่งท่านก็ไม่กราบสมเด็จพระสังฆราชแล้ยกมือไหว้แต่รูกก็ยกมือไหว้แล้วก็ไปหาที่นั่งกันคนนึกนึกถามในใจว่าท่านกราบสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้แต่เด็อันนี้คือคือปัญหาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เขียนมันมันแสดงตังอย่างหนึ่งว่าความกนรนณาถือ พระในพุทธศาสนาของเราบางทีมันเป็นปัจเจ ก, กชนเกินไปถืออาจารย์เราก็มีอาจารย์เราองค์เดียดีอยู่อะพระอื่นเลยไม่ไหว้เลยไม่ได้นะฮะสังขังสนังกัจฉามิเนะี่ยคือชาวพุทธต้องมองพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จนะพุทธจะมีศรัทธามั่นคงจริงๆถือว่าพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์จะให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าอาจารย์เราเท่านั้นจึงศรัทธาเจ้าคุณเท่านั้นศรัทธาสมเด็จเท่านั้นศรัทธาไม่ใช่อย่างนั้น หลวงพ่อหลวงปู่ท่านั้นยังศรัทธาเนี่ยเดี น, นี้มันเป็นปัญหาทางวินัยทั้งชาวบ้านไม่รู้คือพระเนี่ยเจอกันข้างนอกเนี่ยก็ห้ามไหว้นะฮะวินัยในผิดวินัยนเลยนะพระไปไหว้กันเนี่ยเพราะเราโมคลุมเราไหว้ไม่ได้นะเช่นไปเจอพระพุทธรูปก็ไหว้ไม่ได้นะมันไม่เข้ารบคำว่าพระแล้วโมคลุมเนี่ room, นไหว้ไม่ได้อยู่นอกวัดนี่กราบไม่ได้ทีนี้นั่งอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นในวัดนะะ สมเด็จพระสังฆราชพระทับอยู่บนบนเก้าอี้เนี่ยแระโยมนั่งเต็มอยู่นั้นเราสมมติว่าพระจะไปนั่งตรงนั้นด้วยเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอาสนะร่วมโลกชาวบ้านเนี่ยวินัยก็ห้ามนั่งอาสนะเดียวกับผู้หญิงนี่เขาห้ามอันนี้คือคือชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านทําอย่างนั้นนี่คือถูกวินัยนะทําอย่างนั้นถูกวินัยเลย ม, มีมีการพบกันก่อนก็มีคนตนําหนิเรื่องเนี่ย ผู้ใหญไปพบสมเด็จสังราชวราธิบพิษในที่นิมนต์ว่าไม่ไหวนะฮะไม่ทักโดยไม่ไหว้ลยมันไหวไม่ได้มันไม่ใจไม่ไหวพระพุทธรูปในที่ธีสวดมนต์ในไม่พระไม่ไหว้มันไหว้ไม่ได้ฮะมันไม่แสดงความเคารพนี่คือสิ่งที่ที่เป็นวินัยของพระเมื่อวานก็มีคนมาขอว่าให้ช่วยเขียนให้ช่วยเขียนเรื่องนี้หลวงสืบผิดไหมบ้างเขียนเขก็ไม่อ่านน่น เป็นปัญหาทางวินัยแล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไปพูดพูดมันก็เป็นบาปเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรไปดาพระั้งหมูเลยนะไปด่าพระั้งกลุ่มพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นอนะไปไปยังพบกันในรั้วในวงังในพระก็ไม่ไหวกันแน่นะฮนะทีทีใครจะไปกระตางก็นั่งเฉยๆแต่เวลานี้ชักจะเป็นพลางมากเลยไม่เล่า จับมือก็มีนะโยมวิ่งรีบมาเจอพระจับมือเลยไม่รู้จะทํำยังไงเหงั้นนะเราก็งงเราก็งงฮงอย่างนึกว่าเออคนที่เมืองไทยเนี่ยจับมือไปต่างาประเทศเพราะพระดังจะจับมือในคนไทยก็จับไหมนะก็ไม่ให้จับไม่จับแสดงว่าคนคนไทยเวลาอยู่ต่างประเทศนี่เคร่งประเพณีมากทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยมันมันจะเป็นฐานตรงเนี้ที่จริงก็เป็นฐาน แต่ว่าฐานต่อไปในทรงแสดงว่ามันจะทําให้เราพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราตายไปแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยจะบอกตัวเองได้มันก็อาศัยอีกสี่สี่ประการที่จริงมันเชื่อมโยงในตรงนี้ก็คือศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณที่เราสวดเนี่ยนะฮะที่เราสวดอิติปิโสปการาเนี่ยแต่ระ บ, บทถบศรัท ธ, ธาเชื่อมัน่นไม่หวั่นไหวเรื่องว่าเรื่องเราเราพิสูจน์ไม่ได้นะ อย่างนีงเ้เคยกตัวอย่างมาความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา้าเราพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ผ่านแล้วแต่เรามองจากผลงานของพระองค์คําสอนของพระองค์มันกลับไปสู่ใจที่บริสุทธิ์ว่าคนทําอย่างเนี้ยใจไม่บริสุทธิ์สอนไม่ได้เราะทํางาน45ปีแม่ไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเลย มีแต่เพื่อคนอื่นสั่งเสียก่อนยนานิพานเขเพื่อคนอื่นเริ่มทำงานก็เพื่อคนอื่นไม่มีประรพบประองเลยทังนิดเดียวนะที่ภ้าปีทำงานไม่มีศาสดาองค์ใดในโลกที่สั่งสอนอย่างนี้นั่นแสดงเราเห็นว่าใจบริสุทธิ์มากคนอย่างเงี้ยชื่ออะไรก็ช่างเรารู้ที่ผลงานนะเราจะเห็นว่าใจที่บริสุทธิ์มากตรงนี้เราก็เชื่อแต่เราเชื่อมาจากการคิด การศึกษาคําสอนแล้วเราก็เห็นพระไทยของพระมันก็เหมือนกับเราเห็นความบริสุทธิ์ในเรื่องอื่นๆนะมันเป็นการสะท้อนมาจากการกระทําของคนการกระทําของคนเป็นแสดงถึงคนทําไมก็ทําอย่างนั้นมันก็กลับไปสู่ที่จิตได้ทั้งหมดเลยนะฮะสู่ที่จิตคนได้ทั้งหมดเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณนี้ แล้วเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมที่สวดนะนะทั้งหมดเหมือนกันนะ่ยเพราะว่าแนวของเขาเรียกว่านวหารคุณนะ่อนุสรณ์ปาฐะคือปาฐะว่าด้วยการตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเราจึงสวดแล้วก็แปลนะทำไมก็นิยมแปลแต่จริงมันก็ง่ายนะฮะคือถ้าเราแปลไปได้แล้วแม้ที่หลังสวดไม่แปลก็นึกถึงคาแปลไว้ หรือแม้สวดแล้วให้ใจสงบอยู่กับบทที่เราสวดมีคุณานุภาพนะมีพลพลโทอะไรท่านไปในสงครามเวียดนามท่านมาเล่ามาฟังเองท่านบอกว่ามันมีรคคราวหนึ่งที่อะไรอะ่ะแถวด้านนั่งอะไรนี่ลูกระเบิดของเวียดนามตกลงกลางค่ายของเราเลยทหารตายเยอะเลย ออกไปไม่ได้นะโดนล้อมเบียดกงมันล้อมให้หมดแล้วทำไงก็โศกเกลื่อนไปหมดไม่รู้จะฝังที่ไหนจะหาพระมาช่วยสวดก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจก็ฝังไว้ใต้เต็นท์นั่นเองฮนะไ ม, ไม่มีไม่มีที่จะฝังพอตกกลางคืนผีขึ้นมาอาราวาดโอ้ยยุ่งไปหมดอะไรกันวะแล้วทำยังไงมันก็กลัวก็กลัวหนีก็ไม่ได้ข้างนอกก็มีเวียกงข้างในก็มีผี ก็ต่างคนต่างก็นึกถึงบทสวดสมัยที่เรียนในร้อยเจาปรอนะวิติบิโสพระกบนี่แหละอิติิโส อ, อ, องค์ใดประสัมพุทธพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาจะสวดจะสวดทั้งแปรทั้งทั้งบาลีสวดเท่าที่สวดได้นะได้สวดได้เสร็จแล้วก็อุทิศกุศลให้เพื่อนมาหายไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็ขอให้เพื่อนช่วยดูช่วยแลกก็ไม่มีอันตรายนี่ก็คือคือคูณานุภาพที่คนก็สัมผัสได้ เป็นสัมผัสระดับระดับพื้นพนืระดับศีลธรรมยัญญานะฮะระดับขวัญกระดับกำมังใจเพราะในวุตคุณธรมคุณสังฆคุณเนี่ยมันมีทั้งระดับขวัญระดับกำมังใจแต่เนี่ว่าเราสวดสาธยายเนยในขณะนั้นกายเราก็สุจริตนะฮะเราไม่ทําชั่วอะไรเลยวจีปากเราก็สุจริตเพราะเราเปล่งสรรเสริญคุณบรรณาธิญาใจเราก็สุจริตมันเป็นสุจริต ทั้งกายวาจาใจนะสุดจริตคือเกราะบางศาสตร์พร้องแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยใจเราเพราะใจสงบแล้วเราจะคิดคิดแล้จะน้อมความเชื่อแต่ทีนี้ความเชื่ออย่างที่บอกว่าความเชื่อที่มั่นคงเน่ยมันค่อนข้างยากก็ง่ายยากกว่าจะจะมั่นคงต่อคุณรรตาอะไรได้จริงหรือไม่เนี่ยเพียงแต่เราไม่ผ่านการทดสอบ แต่ถ้าเรามองแนวของพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายในท่านผ่านด่านทดสอบทั้งนั้นพระเจ้าผ่านด่านทดสอบจะสรู้แล้วประจนกับพยามารประจนกับนางตระหาราคาฤทธิ์ประจนเยอะแยะสารพัด ท, ที่จะประจนปนนัญหามาย่างนางกูย่างนึ่งนึกอยู่บ่อยๆนะฮะพอไปศึกษาแล้วนางนึกดูวแมวคนมันเลวข น, นาดนั้นคนดีข น, นาดนี้ยังเบียดเบียนได้ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็มองเห็นว่ามันนั่นคือการพิสูจน์ทดสอบเพราะพระไทยของพระองเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่หวั่นไหวจริงๆมีความไปสุดหมดจดจริงๆแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่ถูกพิสูจน์ไม่ถูกทดสอบด้วยศรัทธาเวลานี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมหาเก้าประโยคก็มีนะเป็นลูกน้องคริสต์อย่าง น, น, นี้แล้วไม่ใช่เผยแผ่ศาสนาธรรมดาด่าพูดด้วยนะฮะ ดาพูดด้วยเป็นพระครูก็มีเป็นมหาเนี่ยสามสี่ประโยกดีเยอะเลยนั่นคือโดนทดสอบแล้วก็สอบตกสแสดงว่าที่อาศัยพระศ า, าสนามาที่ปฏิญาณพุธทธังสนางกระชามิมาเป่เรื่อกี่ปีนะฮะกว่าจะสอบว่าก้าได้เนี่ยเทศตั้งนั้นเลยโดนแพ้เงินนะแพ้อนาตเงินก็ครับก็แค่กับที่ลาวคอมมนิสลาวที่เขา ตอนสัมมนาที่เรียงชัยนะคราบอกว่ารับสมัครพระประเรียนอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่างนั้นถ้าใครสึกให้ตําแหน่งอย่างนั้นงั้นอสึกกันเยอะเลยนั้นแสดงวา่าพิสูจน์ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้แน่จริงเพียงแต่ว่าอยู่ในสถานาการณ์ปกติอย่างนี้เค ย, ยกตัวอย่างให้โยมฟังนะว่าเรารับศีลไปแล้วนะแต่ไม่มีวัตถุเป็นเ ห, เหตุให้เราเมิดศีลเราจึงไม่รู้ว่ศีลเราเนี่บริสุทธิ์จริงหรือเปล่า แต่ถ้ามีตัวมากระตุ้นในเกิดละเมิดศีลนะเราไม่ละเมิดอ้ น, นั่นคือศีลจริงๆเรารับศีลไปแล้วไปเจอเงินในกระป๋าเป็นล้า น, นเนี่ยเขาลืมทิ้งเอาไว้เนี่ยเราจะเอาเงินหรือจะจะเอาเอาศีลถ้าเราไม่เอาเงินก็แสดงว่าเรามีศีลจริงแต่ปัญหาว่าจะมีสักกี่คน ไม่มีใครเห็นนะฮะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นเลยตรงนั้นเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์จิตใจของคนว่ามีความมั่นคงในศีลในธรรมขนาดไหนซึน่งมันก็ไปลอยได้ทั้งสองฝ่ายนะปะนัญหาถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงเรา ก, เราก็เราก็ทิ้งศีลเอาเงินก่อนนะ่ะแต่ถ้าจิตใจมั่นคงเนี่ยจะเอาศีลไว้อย่างได้เคยเล่า ว, ว่าแม่แต่พระในะสมัยพุทธกาลเนะี่ยก็มีนะ พระสมัยปัจจุบันก็มีนะเข้าป่าบาเป็นกรรมฐานนะบางทีท่านยอมท่านยอมตายเลยท่าไม่ยอมทำลายชีวิตเลยมีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลงูกลืนกันไปนะงูใหญ่กลืนกันไปนี่ท่านท่านเฉยเลยท่านเจริญวิปัสสนาพอ ง, งูกลืนจบท่านก็บรรลุมากผลอันแสดงเยี่ยมมากๆนะองค์หนึ่งงูกลืนก็เอามีดโกนกดปากงูไว้ ก, กืนก็ปล่อก็มีกระบาดไปเรื่อยงูต้องคายมันก็แล้วแต่นังแสดงว่าท่านรักชีวิตท่านมากกว่าศีลรงแรกในรักษาศีลมากกว่าชีวิตแต่ว่าตรงนี้มันคืออาศัยฐานคือศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นผู้รักษาศีลศีลในแนวที่เรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัว รักษาแล้ววิญยูชนยกช่องสรรเสริญคือศีลเนี่ยรักษาแล้วไม่ไปเกิดมานะไม่ไเกิดทิ่ถินะถ้าเรารักษาศีลแล้วไปเกิดมานะไปถือตัวไปแข่งดีไปดูหมิ่นคนอื่นที่ไม่มีศีลเหมือนเราให้เราสังเกตตรงนี้ถ้าเรามีศีลจริ ง, งนะเราจะไม่ดูหมิ่นคนที่ละเมิดศีลเรามองอยังไงเรามองด้วยความสงสารเขาเรามองด้วยความสงสารเขาแต่เราจะชื่นชมกับคนที่รักษาศีลได้ คนในรักษาศีลดีกว่าเราเราจะมูจิตาคือชื่นชมกับท่านแล้วเเพลิดเพลินกับท่านและอยากจะเป็นอย่างท่านใจมันเป็นกุศลหมดนะใจเป็นกุศลหมดเลยมองคนที่ไม่มีศีลด้วยความเมตตากรุณามองคนเสมอกันด้วยความพอใจยินดีมองท่านที่เหนือกว่าเราด้วยความชื่นชมนั่นคือผลจากการมีศีนิ่งๆมีธรรมะจริงๆนะมันก็เหมือนกับในเรื่องอื่นๆนะ ยังได้เ ย, ยกตัวอย่างนะว่าคนเดินไปนห้าคนคนหนึ่งหกลม้มคนหนึ่งวัวร้อคนหนึ่งวิ่งก็ไปประคองคนหนึ่งยืนดูเฉยๆคนหนึ่งด่าท่งเลยเราเห็นว่าตรงเนี้มันมีสี่คนเนี่ยมีธรรมะอยู่คนเดียวคือคนที่วิ่งก็ไปประคองอีกสี่คนนั้นใช้าไม่ได้โดยเฉพาะคนดา่าท่งแล้วก็แย่มากคนวัวร้องนี่แย่มากคนเฉยๆยังพอจำเนา เพราะงั้นตรงนี้จึงกลายเป็นถ้ามีจริงไงนะฮะถ้ามีจริงเขาเรียกว่าโสตาปฏิยังค์เป็นคุณสมบัติของผู้เข้าเข้าสู่กระแสนิพพานเพราะพระโสดาบันในิศีลสมบูรณ์นะฮะศรัทธาสมบูรณ์แล้วมากลับตรงนี้ท่านท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าคุณสมบัติของอุบาสกบาศิกาที่ระดับแก้วนะระดับรัตนะเนี่ยก็คือศรัทธากสิ มีศรัทธามีศีล น, นั่นคือฐานและสะท้อนศรัทธาระดับใดระดับที่เชื่อก ร, รมไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวจ่เชื่อกำรรไม่เชื่ออำนาจอิทธิพลกับสิ่งภายนอกแล้วก็ไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาจุดนี้จะทาให้มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายเลยตรงนี้ตรงนี้ปิดประตูนรกนะฮะ แต่ระดับศีลมันไม่แน่ทําไมไม่แน่เพราะว่าจิตใจของเราก่อนจะตายเนี่ยกายมันกระสับกระส่ายใจจะกระสับกระส่ายตามไปเพราะฉะนันทีเราคุมใจไม่ได้ไปเหนียวนึกอะไรก็ไม่รู้บางทีเกิดเสียดายบางทีเกิดรำคาญคนใกล้ใกล้นมาและใจมันเกิดเศร้าหมองเกิดขุ่นมัวมราไปเข้าสูตรดื่มสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ต้องแสดงว่า เมื่อจิตสร้าหมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในทุกติเมื่อจิตพองแผ้วก็จะบังเกิดในทุกติก็หมายความว่าไอ้ขนาดจิตตัว น, นี้เราเราดูได้แม้แต่เรื่องเราชำนาญเนี่ยถ้าเราเผลอเราก็ทำผิดได้ก็หมายความว่าเราทําความดีมาระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันขุ่นโม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าศรัทธาเนี่ยตรงนี้มันมันม่นคง ศรัทธาระดับที่ว่านะเชื่อมั่นไม่หวัน่นไหวในพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักษาศีลสมบูรณ์นีใจมันเป็นฐานที่ของแผ้วแม้จะถูกโยกคลอในหวั่นไหวก็ไม่หวั่นไหวแต่เรียวก็เป็นอาจารย์ลัทธนศรัทําให้รักษาความผ่องแผ้วของจิตไปได้ตลอดเพราะงั้นไอ้การสงบเวียนไพร์ทิวาไว้หรือความโปร่งเบาภายในใจจนถึงกับการทํานายคติตัวเองนะฮะว่าปิดประตูนรกได้ แล้วก็เลือกเกิดได้นะฮพวกเราเนี่ยเลือกเกิดได้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงย้ําก่อนจะนิพพานเรียกว่าธรรมดาษะแปลว่ากระจกส่องกระจกทมหมายความส่องดูตัวเองได้นะไปต้องไม่ไม่ต้องให้คนอื่นทายเหมือนเหมือนกับ น, น, นักเรียนที่เรียนหนังสือมาเนี่ยเราเราเราเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆไม่ต้องไปหาหมอดูถามว่าจะสอบได้ไม่ได้เรารู้เองไงเป็นสิ่งที่ เราอบรมบ่มเพาะขึ้นมาและเราเห็นภายในใจเพราะว่าผลธรรมะจริงๆจะต้องเห็นจากใจที่เรียกว่าปัจจัตังดังนั้นออพระสูตรข้อ น, นี้จึงถือว่าเป็นฐานในการเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะว่าจะเป็นฝ่ายภิกษุหรือว่าฝ่ายชาวบ้านก็ตามเพราะว่าความดีทั้งหลายมันจะเกิดมาจากฐานตรงนี้แล้วเราจึงพบธรรมะแนวเนี้ยบ่อย ในพระสูตรต่างๆแต่ว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นทบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไฟปูนในธรรมจงมีได้ท่านสาธุรชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเทอ